คนกรุงเทพเหงาไหมตอนนี้ไม่มีคนมาอยู่ตามถนนมันแปลกแปลกไปไหม <c oughs> ในที่สุดมันก็ต้องผ่านไปนะไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปไ ม, มนะีทุกอย่างคือถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกของชีวิตนะมันก็ไม่ทุกเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเราเข้าใจ โลกอย่างที่มันเป็นเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเราจะไม่หลงโลกความสุ ข, เ ก, ขนนะ เ, กกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าชนะั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าชั่วคราวปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นก็ของชนะั่วคราวอีกตัวเราเองมาอาศัยอยู่ในโลกก็มาอาศัยอยู่ชนะั่วคราวเอาเข้าจริงโลกก็เป็นของชนะั่วคราวอะไรอะไรมันก็ชั่วคราวหมดเลย นี่เราไม่ค่อยยอมรับความจริงตัวนี้เรามองไม่เห็นเราก็อยากให้มันถาวรเวลามีความสุขนะเราอยากให้มีความสุขถาวรส่วนความทุกข์เราก็อยากให้หายไปถาวรไม่มาอีกและถ้าคนดีๆหน่อยก็เกลียดกิเลสอยากให้กิเลสหายถาวรจะเอาแต่กุศลถาวร อ, อะไรที่ยังเป็นความปรุงแต่งยังเป็นคู่คู่อยู่นะ เป็นของที่ไม่ถาวรแน่นอนจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลายังมีกุศลได้ก็มีอกุศลได้มีโลภก็มีไม่โลภเนมีโกรธก็มีไม่โกรธมีหลงก็มีไม่หลงเป็นคู่คู่กันมีสุขก็มีทุกข์เป็นคู่คู่มีดีก็มีชั่วเป็นคู่คู่ของอะไรที่ยังตกอยู่ในความเป็นคู่ของนั้นยังแปรปรวนอยู่ได้อยู่อีก อย่างเราเป็นคนใช่ไหมก็มีสิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างเป็นเด็กกับเป็นผู้ใหญ่นี่ก็เป็นคู่คู่เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนแก่ก็เป็นคู่คู่สิ่งที่เป็นคู่แปรปรวนิางทีแปรปรวนข้ามไปข้ามมานะอย่างถ้าเราสังเกตให้ดีใจเราเองหัดสังเกตเรื่อยๆช่วงไหนไปทําความสงบมากนะมากแบบสงบแบบ เพ่งเข้าไปสะกดน้อมเข้าไปให้นิ่งให้ว่างให้สงบอีกช่วงหนึ่งพอหมดแรงเพ่งหมดแรงอะไรไหมหมดแรงประคองมันดีดกลับนะม่เป็นฟุ้งซ่านมันฟุ้งมากกว่าคนทั่วไปนี่หลวงพ่อเริ่มเห็นตรงเนี้เห็นแต่สมัยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เห็นบางคนนะมาวัดเรียบร้อยเรียบร้อยนะแต่เอาคนใช้มาด้วยนะไม่ได้ผิดที่เอาคนใช้มา แต่คนใช้มันชอบนินทานายนะเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะหลาย1ิบปีแล้วอยู่ที่วัดคุณหญิงมาภาวนาที่วัดขับรถเก๋งมานะไม่ขับเองหรอกมีคนขมีรถปิกอัพนะขนตู้เย็นมาด้วยคนเตาแก๊สมาด้วยนะคุณหญิงจะได้ไม่ลำบาก <c oughs> <c oughs> เจอนะหวานหวานน่ารักจังคนใช้แอบนินทานอยู่บ้านร้ายที่สุดเลย ร้ายปากนี่ชั้ๆๆนชั้นทำไมอะนุ่มนวลมากเลยกลายเป็นร้ายร้ายนะสงบมากแล้วก็กลายเป็นร้ายมากได้จิตมันจะพลิกไปพลิกมาเลยพวกเราเราสังเกตให้ดีช่วงไหนราคะมากะอีกช่วงหนึ่งโทสะจะแรงนะลองดูซิีจริงเปล่ามันจะเวียงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะถ้าเวียงซ้ายแรงก็เวี่ยงขวาแรงกลับข้างแรง นี่มันมันไม่แน่นอนนะแปลปรวนการที่สิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราบังคับไม่ได้จริงอ่ะคำว่าบังคับไม่ได้คือคําว่าอนัตตาการที่ทุกอย่างมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นอนิจจังมันทนอยู่กับที่ไม่ได้เรียกว่าทุกขังถูกบีบคั้นอยู่กับที่ไม่ได้แล้วมันบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายนะจะมีอยู่เพราะเพราะเหตุถ้าเหตุมันดับไปมันก็ดับไป สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับนะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่มีใครบังคับได้นี่เรียกงอนัตตาเรื่อเราหัดภาวนานะเราอย่าไปวาดภาพการภาวนาอะไรลึกลับซับซ้อนมากมายการภาวนาคือหัดมาเห็นไตรลักษนณะ์ของสิ่งซึ่งเป็นคู่คู่นี่สิ่งที่เป็นคู่คู่มันมีสองส่วนส่วนภายนอกกับส่วนภายในพยายามน้อมกลับเข้ามาเรียนส่วนภายใน โอปนัยโกน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองของเรามีเป็นคู่ๆนะอันแรกเลยคู่แรกเลยมีรูปกัะนำมีรูปกระนามีกายกระใจนะหรือมีสิ่งที่ถูกรู้ก็มีผู้รู้จิตนั่นแหละเป็นผู้รู้นะอันอื่นๆ น, นอกจากจิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะไม่ใช่จิตจิตเป็นธรรมชาติรู้ ในตัวเรามีธรรมชาติรู้รู้สึกไหมในนี้มีคนรู้อยู่คนนึ่งคอยรู้เรื่องโ น, น้นรู้เรื่องนี้นะแต่ไม่รู้เปล่าๆนะรู้แล้วคิดด้วยเป็นผู้รู้สึกนึกคิดนี่เราค่อยๆหัดแยกนะหัดแยกไปเรียนจากสิ่งที่เป็นคู่คู่นี้แหละอันแรกคู่แรกที่อยากแนะนำให้พวกเราหัดแยกออกไปนะก็คือกายกับใจหัดแยกรูปกับ น, นามก่อน คำว่ากายกับใจกับรู ป, ปรนามเนี่ยไม่ตรงกันทีเดียวหรอกนะเรียกโดยอนุโลมเพื่อให้พวกเราที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมฟังรู้เรื่องนะกายกับรูปนึกคนล้านกันนะแต่ว่าถ้าพูดคําว่ารูปเนี่ยฟังแล้วงงนะคำว่านามฟังแล้วก็งงนะเอาภาษาไทยง่ายๆก่อนนะคอยรู้แยกกายกับใจก่อนนะต่อไป้็เรียนพอเห็นสภาวะอย่างแท้จริงจะพบว่ากายไม่มีจริงหรอกกายเป็นรูป ส่วนที่เราว่าใจใจไม่ใช่ใจอันเดียวนะประกอบด้วยธรรมะจำนวนมากเลยมาทำงานร่วมกันนะเรียกว่าจิตกับเจตสิกมาทำงานด้วยกันนะตอนนี้เอากายกับใจก่อนนะวิธีที่หัดแยกนะขั้นแรกเลยเรารู้อารมณ์อันเดียวนะรู้กายนี่แหละง่ายๆนั่งอยู่ก็ได้นั่งสมาธินะหรือนั่งพัดไปเนี่ยนะหลายคนนั่งพัดไม่ว่านะพัดได้หลวงพ่อจะมีพัดเลย เอาไว้ไล่แมงวันแมงหวีเยอะเราเคลื่อนไหวไปพยายามเคลื่อนไหวบางคนไม่มีพัดมีอะไรที่เคลื่อนไหวในตัวเองมีการหายใจใช่ไหมร่างกายนี้หายใจอยู่ท้องนี้พองยุบอยู่เนี่ยเบื้องต้นดูอย่างนี้ก่อนดูร่างกายของตัวเองนะร่างกายนั่งอยู่ร่างกายนั่งอยู่ร่างกายหายใจอยู่ร่างกายพองยุบอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ดูไกล แล้วค่อยๆสังเกตว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมเราไม่ได้พัดเฉยๆนะมันมีคนหนึ่งเหมือนเป็นคนดูอยู่แต่ไอ้คนดูอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้หรอกรู้สึกมันอยู่ข้างในนี้บางคนนึกว่าบงอยู่ที่หัวบางนนคนอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ตรงนี้จริงๆจิตอยู่ที่ไหนก็ได้จิตไม่มีที่ตั้งหรอกจิตอยู่ตรงไหนก็ได้จิตเกิดร่วมกับอารมณ์ ค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดอย่างนี้เรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นนะถ้าดูตัวเองยังไม่ออกลองดูคนอื่นก่อนดูคนที่นั่งข้างๆเราเราเห็นไหมคนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตของเราไปรู้เข้าเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราดูคนข้างๆแล้วลองย้อนมาดูร่างกายตัวเองดูเหมือนดูเป็นคนอื่นดูเหมือนมันเป็นคนอื่น เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนเป็นคนอื่นใจเราเป็นคนดนะูค่อยหัดอย่างนี้เรื่อยต่อไปมันจะเห็นนะร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่เยืนเดินนั่งนอนอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเนะี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะร่างกายไม่ใช่จิตหรอกนะค่อยฝึกอย่างนี้นะพอเราแยกจิตกับกายได้แล้วต่อไปก็แยกต่อไปอีกนะนั่งไปนาน ความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นอย่างคุณแตมนั่งแล้วเมื่อยละต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอิริยาบถ น, นั้นนีอะไรนี้ความทุกข์นะ <c oughs> นี้ก่อนเปลี่ยนอิริยาบถให้เรารู้ทันนิดหนึงก่อนเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาค่อยๆสังเกตเอาสังเกตมไหมความปวดความเมือม่อยเนี่ยไม่ใช่ขาของเราหรอกขาเนี่ยตั้งอยู่ก่อนแล้วนะความปวดความเมือ่อยแอบเข้ามาอยู่ที่หลังตามเข้ามาทีหลังเพราะงั้นมันเป็นโคละอันกันนะ ดูอย่างนี้นะมันก็จะแยกขันได้อีกขันหนึงตัวร่างกายที่เรารู้สึกอยู่นี่มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุตัวนี้เรียกว่ารูปนะตัวความเจ็บความปวดที่มันแอบเข้ามาอยู่ในรูปนะี่เรียกว่าเวทนานะบางทีเวทนาก็เกิดที่ใจแนละ้แอบเข้าไปอยู่ในใจก็ได้เช่นมีความสุขแอบเข้าไปอยู่ในใจมีความทุกข์แอบเข้าไปอยู่ในใจมีความรู้สึกเฉยเฉยแอบเข้าไปอยู่ในใจ ทำไมใช้คําว่าแอบเพราะเราไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราเห็นมันก็ไม่แอบนะมันก็เข้ามาเราก็มองเห็นงั้นตัวเวทนาตัวสุขตัวทุกข์เนี่ยอยู่ในกายก็ได้อยู่ในใจก็ได้เราค่อยๆหัดแยกไปความสุขความทุกข์อย่างความปวดความเมื่อยไม่ใช่ขานะแล้วก็ไม่ใช่จิต ด, ด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะใครเห็นว่าความปวดเป็นจิต ม, มีไหมใครรู้สึกว่าความปวดเป็นตัวเรามีไหม สังเกตไหมเรารู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรานะแต่พอความเจ็บความปวดรู้สึกไม่ใช่เราแล้เป็นสิ่งแปลกปลอมอยากไล่มันไปนะเวทนาก็ดูไม่ยากนักนะดูให้ดีเราจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะหัดแยกอย่างนี้เราได้3ามขันละได้รูปได้เวทนานะได้วิญญาณขันคือตัวจิตพอแยกได้อย่างนี้เราก็ดูต่อไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถให้มันปวดมากๆหน่อย พอมันปวดมากๆนะมันเกิดความทุรนทุรายขึ้นที่ใจจริงไหมหรือปวดมากๆความทุรนทุรายเกิดที่ขาขาไม่ได้ปวดนะขาเป็นวัตถุวัตถุปวดไม่เป็นนะเวทนามันแทรกเข้าไปอยู่ในขามาเลยรู้สึกว่าปวดถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นว่าความปวดกับขาเป็นโคนลนกันอันนี้หลวงพ่อเคยสอนผู้หญิงบางคนนะ บอกว่าถึงเวลามีรอบเตือนเนี่ยปวดท้องอย่างรุนแรงเลยต้องกินยาเลยนะต้องเจ็บมากปวดมากบอกค่อยๆสังเกตนะท้องไม่ได้ปวดออกความปวดมันแทรกเข้ามาอยู่ที่ท้องนะเข้าไปดูไปดูนะเขาเห็นนะความร่างกายไม่ได้ปวดนะความปวดแทรกเข้ามาอยู่ในร่างกายตัวอย่างนี้ไม่ต้องกินยาแล้วนะรู้สึกร่างกายสบายดีร่างกายไม่เห็นเป็นอะไรนะค่อยแยกขันไป นี่พอความปวดเกิดขึ้นมากๆเนี่ยความกระสับกระส่ายความทุรนทุรายความร้อนอกร้อนใจนะความกลัวความกังวลความหงุดหงิดําคาญอันนี้เก qu oh, qu ิดข qu qu right? ึ้นที่ใจปวดมากๆอยากเปลี่ยนอิริยาบถความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดที่ขาใจเราเป็นคนอยากเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆมันปวดใช่ไหมใจมันอยากเปลี่ยนอิริยาบถมันปวดอยู่ที่ขานะแต่ใจมันอยาก หัดดูให้ดีเราจะเห็นเลยความอยากที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่จิตหรอกนะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ความอยากเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเช่นเดียวกับความปวดแปลกปลอมเข้ามาในขาแบบเดียวกันเปรียบเลยนะมันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเราหัดดูนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความรู้สึกที่เกิดทางใจมีสองพวกพวกหนึ่งคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เรียกเวทนาทางใจ มีสั์เพราะนะความสุขทางใจก็ไม่เรียกสุขเวทนาเรียกสมมนัตเวทนาฟังให้เป็นแขกมากๆหน่อยความทุกข์ทางใจก็ไม่เรียกว่าทุกขเวทนาเขาเรียกโทมานัตเวทนาสมมนัตโทมานัตใครเคยได้ยินคําว่าสมมนัตมั้งชื่อวัดใช่ไหมสมมนัตดูให้ดีสมมนัตโทมนัตนะความสุขความทุกข์ทางใจไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิต มีเวทนาหนึ่งเกิดขึ้นที่จิตเรียกอุเบกขาเวทนาเฉยๆไม่สุกไม่ทุกข์เป็นความรู้สึกเฉยๆไม่สุกไม่ทุกขนะ์สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารนะมีสองอันนะมีเวทนากับสังขารแปลกปลอมเข้ามาในจิตสังขารก็คือความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆไม่ถึงก็ดีไม่ถึงก็งกชั่วนะความปรุงดีเช่นอะไร เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นความปรุงดีงั้นปัญญาก็เป็นของปรุงแต่งนะเมื่อยังเป็นของปรุงแต่งได้เกิดได้ยังดับได้อยู่นะยังเป็นของปรุงแต่งอยู่สติละ่ะสติก็เป็นของปรุงแตง่งนะเกิดได้ยังดับได้อยู่นะมันอยู่ในขันนะ่ะไม่ใช่ของดีของวิเศษแท้จริงหรอกนะงั้นตัวกูศลทั้งหลายเองนะก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะแปรปรวนเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอก สติก็ต้องมีเหตุของสติถึงจะเกิดนะสมาธิก็ต้องมีเหตุของสมาธิศรัทธาก็ต้องมีเหตุของศรัทธามีริยะก็ต้องมีเหตุของวิริยะสมาธิก็ต้องมีเหตุของมันแต่ละอันแต่ละอมีเหตุเรื่อความปรุงดีปรุงดีนะมันแทรกเข้ามาในจิตมันไม่ใช่จิตสติไม่ใช่จิตศรัทธาไม่ใช่จิตสมาธิไม่ใช่จิตปัญญาไม่ใช่จิตเป็นความปรุงดี ความปรุงชั่วได้แก่อะไรได้แก่โลภโกรดหลงนี่พูดแบบรวบย่อกิเลส3ตระกูลนะโลภโกรดหลงนะแต่และตระกูลก็แยกย่อยออกไปได้เยอะแยะอย่างโลภนือโลภะเป็นความโลภนะราคะนะราคะก็โลภอยู่ในตระกูลโลภเหมือนกันนะแล้วอะไรอีกอะความอยากนี่ก็อยู่ในตระกูลโลภนะความยึดถือในความคิดความเห็น อันนี้ก็อยู่ในตระกูลโลภะเรียกว่าทิฏฐนะิในตระกูลโลภ์ก็มีเยอะแยะเลยนะตระกูลโกรธก็เยอะนะเช่นความเศร้าโศกความเศร้าโศกเสียใจนะเป็นกิเลสตระกูลโทสะตระกูลโกรธความกลัวความกังวลความตรนะหนีเวลาความตระหนีเกิดขึ้นมาในใจรู้สึกมีสุขหรือมีทุกข์เวลาใจมันเกิดความตระหนีขึ้นมาใจเป็นทุกข์นะไม่ใช่ใจเป็นสุขเมื่อไร่ใจเป็นทุกข์นะอันนั้นแนหะตระกูลโทสะละ พราะจิต ท, ที่มีโทสะเนี่ยมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นดนะังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วใจเป็นทุกข์นะรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นตระกูลโทสะดูง่ายๆเลยความอิจฉาอิจฉาเกิดแล้วมีความสุขไหมความกังวลเห็นไหมเนี่เยอะแยะเลยนะตระกูลโทสะมีลูกมีหลานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะตระกูลหลงนะตะกูลโมหะมีอะไรมั่งเช่นฟุ้งซ่านโมหะเนี่ยเป็นตระกูลที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็น รูปนามตามความเป็นจริงล้มันปิดกั้นปัญญาโมหะกับปัญญานี่เป็นสิ่งตรงข้ามกันบางทีเลยเรียกปัญญาว่าอโมหะนะไม่มีโมหะแล้วโมหะกับปัญญาตรงข้ามกันมีปัญญาก็จะรู้สภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้ความจริงของสภาวะนะมีปัญญาจะรู้ความจริงของสภาวะถ้ามีโมหะจะไม่รู้ความจริงของสภาวะเช่นโกรธอยู่ไม่รู้ว่าโกรธอยู่เนื้อ ก, กำลังหลงอยู่นะมีโมหะ โลภอยู่ไม่รู้ว่ากําลังโลภอยู่นี่มีโมหะทําไมมันไม่รู้เพราะใจมันมวนหนีไปที่อื่นนึกว่าใจมันฟุ้งซ่านงั้นโมหะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะคืออุทธัจจความฟุ้งซ่านเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปทางตาฟุ้งซ่านไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายฟุ้งซ่านไปคิดเนี่ยมันจะไม่รู้สภาวะแล้วมันจะลืมตัวเองนะเพราะนั้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมานะจะไม่เห็นสภาวะนะยังมีโมหะตัวอื่นๆอีกเช่นความลังเลสงสัยนะ แต่แถ้าเราสงสัยว่าถนนนี้ไปไหนคนคนนี้ชื่ออะไรอันนี้ไม่เรียกว่าโมหะโมหะนี้สงสัยในพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือธรรมะจะจริงหรือการปฏิบัตินี่มันเป็นไปได้หรือเปล่าทําได้ยังไงรนะพระอริยสงฆ์จะมีจริงหรือเปล่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีพระพุทธเจ้า ก, ก็คงเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งหรอกนะเป็นนักปราชญ์ที่คิดเก่งหน่อยหรืออาจจะไม่ใช่มีคนเดียวด้วย นะเป็นคนที่แต่งตำราเขียนพะไตรปิฎกอาจจะเป็นคนกลุ่มใหญ่เลยช่วยกันเขียนขึ้นมาแล้วโมเมว่ามีพุทธเจ้าองค์หนึ่งคิดได้ขนาดนี้นะคิดได้ขนาดนี้ธรรมะก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นปรัชญานะเป็นปรัชญาสอนไปเพื่อหลอกให้คนทําดีสังคมจะได้สงบสุขนะคิดไปได้ขนาดนั้นศีลนะธรรมก็ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีหรอกเป็นอุบายของนักปราชญ์ที่จะให้สังคมสงบสุข นะเนี่ยใจตระกูลอย่างนี้นะพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะนะพวกนี้ต้องล้างด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนานะถึงจะล้างมันไหวถ้าภาวนาไม่เป็นก็สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือนะถ้าภาวนาเป็นได้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหรไม่สงสัยอีกต่อไปเพรั้นคนที่ล้างความสงสัยได้เด็ดขาดนะต้องเป็นพระโสดาบันอย่างพวกเรายัางสงสัยอยู่รู้สึกไหมรู้สึก รู้สึกเปล่าไม่สงสัยแนละ้ว ไ, ไม่สงสัยไม่จริงหรอกบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธารู้สึกไหมบางวันก็สิ้นศรัทธาแล้วบางวันมีศรัทธาวันไหนศรัทธาแก่กล้าก็ขยันวันไหนสิ้นศรัทธาก็หนีวิเที่ยวอะไรเงี้ยนะเนี่ยใจที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะมันยังไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงเนะนี่ยพวกโมหะนะพวกที่ใจไม่รู้ความจริงนะ หลงไปอยู่ในโลกของความคิดมั่งอะไรบ้า ง, น, างนี่เราค่อยๆเรียนนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจทั้งสิ้นไม่ใช่จิตหรอกราคะไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตโทสะก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตโมหะก็ไม่ใช่จิตอีกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาปัญญาเมตตาคนะารุณามุทิตาอุเบคาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเรียกว่าสังขาร นะเรียกว่าสังขารงั้นสิ่งที่แปลกปลอมเพรามาในจิตจะมี2 อ, อันนะมีเวทนากับสังขารนะสัญญานี่เป็นตัวแปลความหมายนะไม่ต้องเรียนเยอะเรียนเยอะเดี๋ยวเวียนหัวแนละ้วถึงสัญญานี่พร้อมจะเพียนะ้ยนละเพราะจริงๆขนาดนี้นะพูดตรงๆนะพวกเรามีสัญญาวิปลาสนะไม่ได้แปลว่าบ้านะสัญญาวิปลาสคือการหมายรู้ผิดๆนะนะจิตวิปลาสนะคิดผิดๆสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดๆ พิถีวิปลาสมีความเห็นผิดผิดนะนี่พวกเรามีวิปลาสเยอะแยะเลยนะหลายอย่างตอนนี้ยังยังดูยากเพราะฉั้นค่อย ค, อ ย, คอยหัดดูของจริงหัดเจริญสติหัดภาวนาไปนะวันหนึ่งหายวิปลาสได้หายบ้าหายบ้าได้ความเห็นก็เห็นถูกความคิดก็คิดถูกการหมายรู้ก็หมายรู้ถูกถูกจะถูกขึ้นมาค่อยฝึกเอาเราั้นตอนนี้นะสิ่งที่เราต้องหัดรู้นะแรกเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่ง เวทนาความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจอันนี้อยู่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเวทนาความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอันนี้เกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าสังขารนี่นะเป็นสามอันนะมีรูปมีเวทนามีสังขารมีจิตเป็นคนรู้คนดูนะฝึกให้ได้อย่างนี้นะพอขันกระจายตัวออกไปเนี่ยปัญญามันจะเกิดได้ ถ้าขันมันมารวมตัวกันมันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงจแต่ถ้าขันนี่แยกตัวออกไปกระจายออกไปมันจะเห็นรูปที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นอยู่นี้ไม่มีเราตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่เราแล้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นทันทีเลยเห็นได้เพราะอะไรอันที่หนึ่งสติระลึกรู้รูปที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่มีสติระลึกรู้รูปนี้ ถ้าใจลอยจะเห็นไม่ได้ใจลอยก็ลืมกายลืมใจนั้นอันที่หนึ่งมีสติรู้รูปที่กาลังเคลื่อนไหวอันที่สองใจนั้นมีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูใจมันอยู่ต่างหากมันแยกออกมาอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูมันจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราเลยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราพวกเราเห็นหมพัดนี่ถูกพวกเรารู้อยู่รู้สึกไหมมีใครเห็นพัดเป็นตัวเรามีไหม ไม่มีนะยกเว้นคนชื่อพัดน์นะแล้วพัดเป็นเราไหมพัดเป็นเราค่ะนื้ออดูลงไปเรื่อยๆนะในสุดจะเห็นในรูปที่เคลื่อนไหวอยู่รูปที่หยุดนิ่งอยู่รูปที่หายใจรูปที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่คนด้วยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะดูอย่างนี้ดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นมาใครเห็นความสุขเป็นเราก็เพี้ยนละ ความปวดขาเกิดข uh ึ้นใครเห็นความปวดเป็นเราก็เพี้ยนละนะไม่เป็นหรอกดูง่ายนะเห็นว่าไม่ใช่เราตัวที่เหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นเราคือจิตนะเหนียวแน่นอันดับสองที่ว่าเป็นเราคือกายคือตัวรูปส่วนตัวที่เหลือนี่เป็นตัวดูง่ายว่าไม่ใช่เราแต่ว่าดูตัวมันยากนะมันละเอียดดูลงไปน้าเวทนาไม่ใช่เราละความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราโทมนัท เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เราสมนัตเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เราอุเบกขาเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เรานะดูเราไปอีกความโลภไม่ใช่เราใครเห็นความโลภเป็นเราไม่มีใครเห็นความโลภเป็นเราแต่ชอบคิดว่าเราโลภเราโลภยังดูยากเลยชอบคิดว่าคนอื่นโลภดูง่ายไหมโอ้ยนี่โลภมากนี่รวย 49,00 ่ล้านแล้วยังไม่พอจะเอา5 0,000 000, ล้านอะไรเงี้ยนะดูคนอื่นโลดูง่ายนะ ดูเราโลภดูยากขึ้นแล้วนะเราพอเราโลภนะเราบอกนี่ขยันหมั่นเพียรนะรู้จักหารู้จักเก็บ อ, อมเป็นคุณธรรมนะนพอเราโลภก็เป็นอย่างนี้ดูคนอื่นโลภง่ายที่สุดนะดูเราโลภก็ยากขึ้นมาหน่อยดูความโลภที่มันไม่ใช่เราเนี่นะอัศจรรย์นะคราวนี้ความโลภไม่ใช่เราหรอกความโลภเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจไม่ใช่เราะจะเห็นเลยความโลภไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา งั้น decline, ถ้าเมื่อไหร่เราดูไปถึงตัวสภาวะแท้แท้นะรูปธรรมนามธรรมแท้แทดูไปถึงตัวรูปแท้แท้เนี่ยรูปจะไม่มีเราดูไปถึงตัวเวทนาแท้แท้เช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์จะไม่ใช่เราดูไปถึงตัวสังขารแท้แท้เช่นความโกรธใครเห็นความโกรธเป็นเราไม่มีนะถ้าเห็นตัวความโกรธแล้วจะรู้ว่าตัวความโกรธไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีปัญญาเห็นตัวความโกรธความโกรธครอบงําจิตจะรู้สึกว่าเราโกรธนะ เราโกรธก็ไม่ค่อยเห็นอีกจะเห็นคนที่ทําให้เราโกรธรู้สึกไหมส่วนใหญ่ได้แค่นี้จะเห็นไอ้เนี่ยมึงขับรถปาดหน้าเราเห็นไอ้คนที่ขับรถปาดหน้าไม่เห็นความโกรธในใจของตัวเองถ้าสามารถย้อนมาเห็นความโกรธในใจของตัวเองได้นะจะเห็นอีกนะความโกรธไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราภาวนานะแยกธาตุแยกขันออกไปแยกรูปแยกเวทนาแยกสังขารแยกจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูออกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ละได้ถอนความเห็นผิด ว่าขันทั้งหลายนี้เป็นตัวเราขันมันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะสัญญามันหลอกสัญญาที่วิปลาสมันหลอกแล้วก็ความคิดมันเกิดขึ้นมาสัญญาเข้าไปหลอกนะว่าเราหลอกว่ามีเราฉั้นสัญญามันเพี้ยนอยู่ฉะนั้นดูลงมารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูไปเรื่อยนะทีแรกจะเห็นก่อนนะ พอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เรายังรู้สึกว่าจิตเป็นเราอยู่นะปุถุชนจะรู้สึกว่าจิตเป็นเราอยู่นะแต่ว่าถ้าฝึกไปมากเข้ามากเข้านะจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้อย่างแท้จริงนะอยู่ในโลกแห่งความรับรู้ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ในโลกของความว่างเปล่านะอยู่ในโลกของความรู้สึกโลกของความรับรู้นะจะรู้สึกเลยถ้าไม่มีความคิดอยู่นะ ถ้าจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่นะความเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้นความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเองคิดไปตามสัญญาที่เพี้ยนเพียนของเราเองความเคยชินมันไปหมายว่านี่เรานี่เราร่างกายเป็นเราไอ้น่นเรานี่เราคิดอย่างนี้หมายรู้ผิดผิดอย่างนี้นะก็คิดไปตามความเคยชินคิดไปตามการหมายรู้ว่ามันมีเราขึ้นมาจริงๆนะเนี่ยครฝึกนะเบื้องต้นจะเห็นรูปเห็นร่างกายเห็นเวทนาเห็นสังขารไม่ใช่เรา ฝึกกับหลวงพ่อสักเดือน2เดือนจะเห็นตรงนี้ละนะมันไปยากอยู่ตรงที่เห็นว่าย่างจิตยังเป็นเราอยู่ทํำยังไงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราต้องดูให้เห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเองก็เกิดดับได้นะวิธีดูจิตที่เกิดดับเนี่ยจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนดูมันตรงๆจะไม่เห็นอะไรเราต้องดูอ้อมๆดูผ่านสิ่งอื่นเข้ามาจิตไม่ได้เกิดลอยๆจิตไม่ได้เกิดคนเดียวจิตต้องเกิดร่วมกับสิ่งอื่น เช่นจิตเกิดร่วมกับอะไรจิตเกิดร่วมกับเจตสิกความรู้สึกที่ประกอบจิตจิตเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับอายตนะได้เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจได้เฉะนั้นเราสังเกตความมีอยู่ความเกิดดับของจิตความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของจิตสังเกตผ่านเจตสิกแลสังเกตผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปดูจิตตรงๆจะไม่มีให้เห็นเลยไม่มีอะไรเลย ถ้าพออยู่ๆเรานึกอยากดูจิตนะก็ดูปุ๊บลงไปเราจะเอาจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตนะดูไม่ถึงจิตหรอกหรือดูไปดูไปก็จะเห็นว่าว่างๆอย่างเปนั่งจ้องไหมเงี้ยนั่งจ้องไมก็จะว่างๆคิดว่าว่างๆเป็นจิตว่างๆไม่ใช่จิตว่างๆเป็นเจตสิกเป็นสังขารชนิดหนึ่งนะชื่ออากาสานัญญยตน ะ, นะไม่ใช่จิตหรอกงั้นถ้าอยากเห็นจิตจริงๆเนี่ยอย่าเที่ยวหาจิต หลวงปู่เดินเคยสอนหลวงพ่อว่าอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอสอนอย่างนี้นะหาอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอไม่ต้องหามันนะให้เรียนรู้จากเจตสิกตอนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลนะก็สอนอย่างนี้นะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราให้ไม่ให้เรียนที่สังขารนะสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนหลวงปู่ดูลมาดูจิตเริ่มจากอะไรดูสังขาร น, นะไม่ใช่ดูตัวจิตนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทีแรกยังไม่รู้สึกว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจะรู้สึกว่ามีเราสุขเราทุกข์นะต่อม SAS, คาค่อยๆสังเกตอ๋อจิตมันมีความสุขขึ้นมาจิตมันมีความทุกข์ขึ้นมาจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงขึ้นมานะ ถ้ายังดูไม่เป็นก็รู้สึกว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตสุขจิตทุกข์ถ้าค่อยๆดูนะสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะเห็นว่าจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งความโลภความโกรธความหลงอยู่ส่วนหนึ่งสามารถแยกเจตสิกออกจากจิตได้นะเห็น ไ, ไหมเราเรียนรู้จิตนะผ่านการดูเจตสิกนะแล้วแยกมันออกไปได้ในท่สุดมันจะรู้ว่าธรรมชาติรู้นี่เป็นยังไงธรรมชาติรู้นี้ไม่มีอะไรแต่เป็นแต่ธรรมชาติรู้ นี่ค่อยแยกแต่ว่าไม่ใช่เอาตัวนี้นะยังต้องเห็นว่าตัวนี้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์อีกทีหนึ่งถ้ายังเห็นว่าตัวรู้เที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฐิเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่ล่าอยู่ภูเจ้าก็ที่มุกดาหารบอกว่าใครเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฐนะิจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนขนาด น, นี้นะสอนตรงผ้าพิธามเปียบเลยจิตก็เกิดดับงั้นเราเห็นตัวผู้รู้แล้วนะแยกเอาเจตสิกออกไปแล้วเจะเจอตัวผู้รู้ นะบางทีก็อาศัยการรู้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะแล้วเห็นความเกิดดับของจิตได้นะค่อยๆฝึกไปหมดเวลาซะและ้วเทศยังไม่จบเลยวันเนี้ยนะอ่ะพวกเราไปทานข้าว